نامو جسد پکوتو ارهاتو سما سمت سا พหมังสัมพุทธัสสะพุทธังตรณังสัทถาเมธัมมังตรณังคัจฉามิอะหังสรณังปะฐามิสังฆังตรณังคัจฉามิ พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณัง ภาเตยัมภะคะวันตังสะระณังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสะระณังคัจฉามิภาเตยัมภะคะวันตัง เจริญธรรมทุกคนธรรมอ่าอ่า มีหมายตั้งใจดีๆเอาสิ่ง ให้ไปช้อปปิ้งมั้ยๆอ่าห้างสรรพสินค้าในๆไหน ให้สินประเสริฐแก่ประชากรเต็มที่เหมือนกันใครมีของดี จะต้องไปปิดทองจะต้องไปรดน้ํามนต์จะต้องไปนอนใน <ścoughs> ได้สินค้าโอ้โหยอดเยี่ยมเลยๆเลย oh oh. จะจับประเด็น 28ๆเจตสิก 52 จิต 89 อะไร นามธรรมพวกนั้นล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะของ นั่นไปหาองค์สภาวะของความเป็นอาการ 16 16 5 เออไม่ که ก็หาข้อ 14 14 5 อย่างนี่การศึกษาศึกษาปฏิจจสมุปบาทเลย อุปาทายรูปอีก 24 อุปาทายรูปกับมหาบุตร ทาง 6 นะ 3 กายสังขารจิตคร 6 ครบ 16 นี่ นะจะต้อง 6 6 ก็เลยไม่ครบแล้วไม่ตรงตามพรวัจนะ จึงไม่เรียกว่าความจริงไม่เรียกว่าความจริงวิญญาณ 6 15 นะหมวดวิญญาณโสตวิญญาณ ศึกษาครบความจริงที่เป็นมนุษย์ผู้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ มันไม่มีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายนะเริ่มผมส่วนที่มันดึ๊กเข้าไปมัน เอาพ้นออกมาหรือผิวหนังและฟันก็ ส่วนที่นานาส่วนที่มันผิวหนังที่ เป็นนามธรรมสามารถเรียนรู้ได้นะ ผลทางจิตเรียกว่าผลสมาธินี่ เขาไปอยู่แต่เข้านายเป็นสัญญาแบบ กายนิกะข้างนอกทั้งหมดเนี่ยองค์ๆภาวะคือ เป็นทําเป็นเดี๋ยวนี้ตัดๆ อาการ 2 อย่างนี้คุณก็ 4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 นี่แหละ 16 ข้อ 230 นี่ทําเอ๊ะจอดําๆมืดๆไม่หันไป <c oughs> ไม่งั้นกับทับอยู่เค้าจะอินเสิร์ตให้ไง ไม่ 6 ไม่ 6 6 6 เวทนา 6 6 6 6 6 ครบตัณหา 6 ซึ่งอาตมาก็เคยตั้งข้อ เห็นมั้ยความจริงก็มันเป็นเช่น แล้ว 8 ด้วยกายกายคือความนั่ง 8 ก็ไม่ครบกาย ท่านก็ไม่ถือเป็นความจริงไม่ยอมรับว่า ยืนยันได้อย่างไรก็ตามสักที วัฏฏีสังขารผู้ที่ศึกษาจิตสังขารพวกให้ปฏิสังเวที เสร็จแล้วก็ทําความสงบประงับกายสังขารให้ได้เออปัสสัมปยัง คือผิดแล้วซึ่งผิดวิญญาณโอ้โหยิ่งย่ําหัวๆเลย โอเป็นองค์ประชุมขององค์ประกอบงาน สังคปะ 7 เรียนรู้ทัจเจนในขณะสัมผัสขณะนี้ ตึกนอกข้างในเป็นตัวกลางที่เป็นภาษาแล้วเป็นพยัญชนะ ถ้าใครฟังดีๆด้วยดีสุดๆสั่ง เป็นรูปเป็นร่างอยู่ในจิตวิญญาณ มันไม่มีไม่ไม่มีสภาวะไม่มีความจริงให้คุณ อาตมากําลังพูดถึงวิชาการตอนเนี้ยกําลังสาธยายวิชาการตอนเนี้ยโอ้ มีคนรับรองอาตมาอยู่เนาะคนอยู่หน้าจอ ในในไม่จริงๆไม่มีนักธรรม เออนักธรรมได้ว่าซึ่ง ถ้าเผอว่าไม่ฟังดีๆไม่เห็นจริง สมาธิแบบไม่ไม่เป็นความจริงจริงๆเนาะมันๆจนหมดสิ้น ชัดก็ลืมแต่รู้แต่แท้ในสัญญาว่า แม้อสวะบางอย่างดอกตาลก็ยังไม่ไม่ สติไม 28 ไม่ 28 ไม่ครบมหาปุตรรูปปสาทรูปก็ไม่มีตากาย ที่ศึกษาธรรมะก็ยึดปะกายคือข้างข้อมามา 230 มายืนยัน เมื่อมันเกิดวิญญาณเกิดขึ้นวิญญาณขณะนี้กําลังปรุง อุปาทานเพราะฉะนั้นในปฏิจจบกที่ในอุปเอ่อ สังขารนี่โรงเรียนรู้สังขาร 3 นะอาตมาก็เปิดเข้าเปิด แพนอื่นก็อย่างงี้อาตมาก็เลยไม่ไม่ถนัดจะเปิดนะหน้าก็เอ้า พอน 16 นี่ 3 กายสังขารวจีสังขารจิตสังขาร เมื่อมีเมื่อมีตากระทบรูปก็เกิดวิญญาณคุณก็เรียนรู้โอ้ๆเห็นมะว่าแล้วโหนตั้ง ข้อ 16 นี่ 3 เพราะกายสังขาร มันได้มาทํากาย มันจะไปผ่าเพราะให้มันสวยให้ครั้งโอ้ก็ช่างกระไร เรียนอย่างงี้มันนั่งศึกษาอย่างงี้บ้างสิจะได้สังขาร 3 อ้าวฟังตัวสังขารนะเอาเริ่มต้น แม้เป็นนามธรรมก็อ่านนามรูปเหล่านี้ได้เพราะ เสร็จแล้วก็มีอาการประชุมกันเป็นเวทนาเรียกว่าสมโสรณามันประชุม ความจําไม่ดีความจําไม่เก่งจนจําได้เพราะอาตมาพูดบ่อยนะ มันๆเลยจะอ่านโอ้โหอยู่ เป็นความรู้ตรงกับปริเทวะ แล้วก็ใช้สมาธิดีๆเขียนออกมา ผมเจ้าถึงบอกว่าต้องมาสัมผัสวิโมกข์ 8ๆคุณจะไม่ๆเป็นอรหันต์ได้ต่อ ต่อให้เลยพูดๆจะจินัสวะได้จริงหรือเปล่าก็ยังไม่ สระคสะสาโทสะสะโมหะแท้ๆเลยสัมผัสตัวจริงและกําจัดถูกตัวเลยๆ ต้องปฏิบัติสมุติเสร็จแล้วก็ยังปฏิบัติปฏิปัสสัทธิปะหานต่อจนมัน รูปประถมมันแค่ฟิสิกส์มันแค่สิ่งที่มัน ของแม้แต่เท่า 28 นะ 4 24 ซึ่งเป็นกายะสังขารที่มีกายะวิญญาณ ไม่ใช่ไปเรียนๆ28 ไมนะ มหภูต 4 แล้วก็ที่มีประสาทรูป 5 กับโคจร มันไม่คนกันมันไม่ยุ่งกันมันไม่เกี่ยวกันมัน มันมันมันอยู่กันด้วยกันแล้ว การ 5 ประสาทรูปโคจรรูป 5 ทํางานสังขารกัน منایتنا یا ก็ 230 นี่แหละนี่ที่พระองค์ทรงยืนยันว่ากาย องค์แทงอยู่เป็นกายในกายององ 8 คือปฏิบัติมรรค 7 องค์เนี่ย เป็นหมวน เพราะจะน่ะนุกรมารีถไขท่านก็แปรอยู่Bra-yat ยrica-síanialogyat 3 ต้นตรัสยืนหยันไว้องค์ 8 คือปฏิบัติมรรค ในไม่ใช่ความจริงก็ 28 ไม่เขาไม่มีกายแย้งกันเลยเขาไม่ คุณก็อวิชชาต่อไปอีกนานนับชาติเห็น อย่าตะมาอธิบายไปแล้วพูดไปแล้วว่าแม้ อันนี้โรดแล้วน่ะกายสังขารจิต เออเมื่อคุณว่าคุณเป็นองค์ 8 ลืมตา تا میشه نان مان می‌پن سمار سماری نان لب ที่มีองค์ 7 นี้ทํางานสมาธิสมาสมาธิ พูดที่นั่งรับตาสมาธิแล้วก็เกิดสมาธิใน มันเป็นสมาธิสากลสมาธิทั่วไปรู้กันเข้าใจอื่นอื่น คมก็นั่นคมก็นี้คําแข็งๆไม่ดู <laughs> เขาๆมาพูดกันพูดปะเลาะปะโลมปะเลาะอาตมาไม่ใช่ทําไม่เป็น เดี๋ยวนี้อาตมาอยากจะเขกหัว พูดที่ 28 4 5 มันมีองค์รวม 4 ก, ะ, บ, ะ, บ, ม, ด, วว8 2 มีปสาทรูปอุปาทายรูปจากมหาปุตรรูปเสีย นะ, นะ, 28 นะแต่ผู้ เพราะมันไม่มีกายมันไม่มีองค์ ไม่มีครบโดยเฉพาะคําว่ากายนี่ขอย้ํา กายในกายองค์ประชุมข้างในเมื่อ อ่านได้ของจริงได้ของจริงน่ะไม่ใช่แล้ว อายตนะ 6 ไม่ 6 ไม่ 6 ไม่ 6 ไม่มี, 6, ไม่มี, 6, ไม่มี, 6, ไม่มี. 16 เนี่ย 10 ตัณหา 6 ข้อ 11 เวทนา 6 3 สุขเวทนา بекขา, 3 แต่ 6 ที่เกิด 6 6 ะ, ญญ า, ป, 4 ตะนังอุปาทายทายะรูปังคือจากมหาภูตรูป 4 จตุนันจะ 4 แล้วก็อีก 4 ก็คือ 24 นั่นแหละนี่คือ 14 ข้อ 15 วิญญาณ 6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 คุณก็ขาหักขาๆไม่ต้องอคติอะไรก็อาตมาฟังอาตมาเอาแต่พระๆ เรียนรู้ตรวจสอบใหม่จะได้โยนิโสมนสิการเป็นสมาธิทิบ้าง เมื่อฟังสัทธาบริบูรณ์ย่อมศรัทธาบริบูรณ์เชื่อถือเข้าใจ คุณ 4 บริบูรณ์โพชฌงค์ 7 บริบูรณ์วิชชาและวิมุตติ 24 ข้อ 61 นะอวิชชา อภัสสะจากมันมโนสัญเจตนาจากวิญญาณนี่เกิด สัมผัสทองคําเงินสัมผัสที่ดินแม้เสียงเกิดจิตถูก แล้วเออเข้าหลักเข้าแกนบ้างอะตมาก็ว่า ไม่ได้เอาออกโอ้อยู่นี่เองๆละเอียดอาตมาเจตนายำตรงนั้นน่ะ ไม่ได้เคลียร์ได้จังแต่พูดเป็น ขออภัยถ้าอาตมาจะกล่าวนี้จะ เป็นพระบ้านในส่วนใหญ่พระบ้านในส่วนใหญ่ส่วนพระป่าก็เป็นนะกลิ่นเสียงสัมผัส คุณใช้วิธีตัดทิ้งลืมๆมันมันการ ทุศีล 5 เป็นต้นเราก็จะต้องควบคุมว่าอย่าผิดนะทุจริตวาจานะโอ้โห จริงๆถ้ายิ่งคนทํางานกับสังคมส่วน มีศีล 5 เท่านั้นน่ะอาตมาถึงบอกกันจริงๆเลยแหม สนช. อะไรพวกนี้ จะมีภาษาสำนวนยังไม่บังคับทีเดียวก็ ที่พูดนี่ไม่ได้ด่าใครนะพูดวิชาการๆไม่ยกเว้นฆ่า ما اول جیجنج نه. لگر قسم جا بهن قسم که به قسم که พื้นอาหารการกินนะ ยังจะมีแม้เจ้าต้องบ้านใหญ่บ้านโตจะ เราต้องมีข้อกําหนดว่าคนอยู่ ไม่ฆ่าสัตว์ก็สามัญมนุษย์ที่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้อง ไอ้เสือเฮ้ยวันนี้ <ม. S 1> สไนเปอร์ใช่มั้ยฮะสไนเปอร์เออแหมถูกพอยิงเค้า 35 นี่ก็ไม่เข้าท่าๆหน่อยสนุกหน่อยนิด มันไม่ถูกไม่ถูกน่ะพ่องก็ๆว่า ดีมีดีมีอีกทั้งไม่ คำควรจะแก้ไขอย่างไรพระพุทธเจ้าตรงไหนควรจะ เอาละต้องต้องซื่อมาอ่านของพระพุทธเจ้า ที่วงวลอยู่เรียกว่าพบวงวนอยู่เรียกว่าภพเรียกว่า ก็ขึ้นไปสูงๆวนๆขึ้นไปพญามันก็ซ้าย จุดไปถึงที่ 1 เดียวเอกบุรุษอุตตมะปุริสสะจุดยอด เช่นอภิสังขาร 3 เงี้ยบุญญาภิสังขารพอเป็นอปุญญาภิสังขารก็เอาแต่บาปกับๆมัน รอบสุดท้ายตรวจ 3 ไม่ใช่ถ้า 3 นี้ไม มันแปลว่าหมดบาปมันไม่ได้แปล กุเปละเป็ลอ่ะมนัสสิการว่าไม่ใส่ใจใน อรูปไล่เข้าไปเรื่อยๆตอนนี้ 3 ข้อ 4ะะ น, ว, 4 ก็ศึกษาอากาศตรวจสอบสภาวะว่างๆว่างว่าง มันก็มีจิตที่ว่างจะเสวยผลแล้วจิต คุณก็มีแต่ว่างอาการว่างแต่ว่างไม่ใช่ไม่ ลางอีกแล้วอีกแล้วเป็นสมุจเฉทปหานแล้วคุณก็ มันไม่มีสังขารกายให้คุณปฏิบัติปก สร้างอรูปนี่แหละตรวจความบกพร่องที่ยัง ซึ่งเป็น 16 วิมุตติก็จะเป็นวิมุตติสมบูรณ์ ภาษาบาลีขออภัยภาษาเป็นตัว 3 เป็นช่อง 3, 3 เป็น สมบูรณ์สุดสุดวิมุตติสุดกับสมาธิตัง 16ๆ16 ภาษาก็ไม่เป็น สราคะสโทสะสะโมหะเราอ่านรู้พยาบาท 3 โมหะ บางคุณรู้ลักษณะของสภาพที่มันๆคุณก็ต้องอ่าน ฤไดแค่เป็นกรรมปหานก็รู้ยิ่งเป็น 7 8 จิตตัง ชั้นหนึ่งคุณก็ๆโอ้โหกกกกกกคุมโอ้มันลําบากมาก สายหดนี่บางทีก็ไปสอดคล้องไป สังจิตตังจิตตังที่นามิตะๆว่าหดหู่นะไปแปลสังจิตตังจิตตังว่า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 พระเปชัยสํานวนว่าวิตกวิจารณ์ดับหรือวิจุก ก็มหคตะทําให้ยิ่งขึ้นทําให้อัคคะแต่ว่าเยี่ยมยอดอัคคะมหคคะมันมากขึ้นใหญ่ มันยังแค่ได้แค่สังคีตังจิตังวิกิตังอยู่นั่นแล้วอยู่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 อยู่สุดยอดสูง 108 3 36 อดีต 36 ปัจจุบัน 36 อนาคตนั่นแหละทํามัน ภาวนาสุนิจังทุกวังสัสตังเลยนั่นแหละจิตของคุณก็สมาหิตัง สมาหิตังจิตตังเป็นจิตที่ๆนี่คือเจโตปริยาน 16 คุณจะรู้ ปรัตปุคครานังเมื่อท่านไม่รู้ผู้ไม่รู้ท่าน ไม่ใช่มันรู้จักสัตว์ต่างมันรู้จักสัตว์ต่างๆสัตว์นรกสัตว์อบายสัตว์กามสัตว์รูปธรรมสัตว์รูปภพนะๆ มันเป็นอื่นไปแล้วเป็นอื่นไปแล้วตอนนี้จิตก่อนนี้เราอยู่โอ้โห รูปปรมัตถ์จิตเจตสิกรูปนิพพานไม่จะไปรู้ตัวตนบุคคล มีพระตะปิดกเล่มนี้แปลมาให้อาตมาได้ใช้อาศัย ไม่ได้ลบหลู่บุญคุณหรอกแต่ที่พูดนี่พูดหลัก ไม่ได้ใช้จริงๆ16 ไมคุณจะมีวิชาข้อนี้จริงๆไม่ใช่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 รถทิพย์รถมนุษย์สัมผัสทิพย์สัมผัสมนุษย์ท่าน เพราะได้ยินเสียง 2 หรือได้ยินได้เห็น พอคุณกระทบสัมผัสคุณก็เห็นรูป วิชา 3 ข้อ 4 เนี่ยนะ 4 นี่รู้ของทิพย์รู้ของเกินแบบโลกียะแบบเทวนิยมและเลอะไม่ใช่ ผีเทวดาที่มันมิจฉาทิฐิก็ไปรูปผีเทวดา คุณก็เป็นโลกียรถได้ลาบวันนี้คุณๆจนมันหมดเปรี้ยว มันเป็นวิสุทธิเทพค่อยๆเป็นอย่างสองอย่างเป็นอุบัติติเทพเป็นวิสุทธิเทพนี่ เขาจะอ่านใจจริงได้มันมีอะไรบ้างอะไรฮะคน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 ถ้าคุณจะเลิกคุณคุณหมดได้แล 8 แล้ว 8 ไปเลิกกันใหญ่นะอธิบายถึงขนาดว่าโอ้ นิ่งไว้ตรงนี้นี่แหละแล้วก็เคลื่อนไหวมือได้ ขออภัยไปลบลู่ด้วยภาษาปคีมาแต่อาตมาเจตนาใช้ ปฏิบัติอย่างนั้นมันมันก็ได้สมถะอย่าไปเข้า มิจายมิจาวิปัสสนานี่คือความหมายของวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงครบนี่ เพราะเออมีมีเห็นมีรู้ตื่นและก็มีสัมผัสเห็นมีรู้ตื่นนะแล้วก็ ต่อไป 4 ข้อ 5 นี่คือคือความหมายนิยาม นี่เรียกว่ามโนมยิทธิมีฤทธิ์อิทธิมโนมยิทธิคือ อติปาฏิหาริยเทศนาปาฏิหาริย์ก็ลงเถอะก็อยู่ในวง สังเกตแบบนั้นเอานะแบบนั้นน่ะๆดับ สุดประกินะหะพรไม่ใช่ไม่ใช่จิตดับแบบมืดๆเป็นสิ่งเปิด <moż> เพราะเป็นได้ความดับไปจําเป็นมโนมยิทธิเป็นสิ่งที่ ม้วยไปหมดเก่าเจโตปริยานจุม้วยไปได้ ตามคําสอนพระพุทธเจ้าถือศีล 5 และปฏิบัติ นี่คืออนิสงส์ของการปฏิบัติศีลอย่างนี้เป็นต้น diversity ปุเนี่ยเป็นความหลากเช่นเอกโกปิหุตตะวาปหุธาโหติหนึ่งเดียวเป็น มันก็ไปแปรอิทธิวิธยาเนี่ยไม่เป็นโลกุตตระหนึ่งเดียวนะ นะจิตเช่นอาตมาว่าอาตมาอธิบายพพบชาตินี่มา ก็วิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะอย่างนี้ได้ได้ พบก็ดับด้วยระดับด้วยเพราะพบระดับเพราะเป็นดับ kinetic energy กับ potential energy หรือเป็นสมถะหรือเป็น นะเป็นอันสัพพคันเจตอันคันเจตเสียเป็น ก็ไม่ใช่ว่าเนี่ยใช่หรืออภิสังขาร คุณมีอินทรีย์พละคุณมีสัจจานุโลมิกายานคุณมีความ มันนมยิทธิที่แท้เป็นการสร้างจิตสําเร็จ เหมือนแม่เล่นหม้อข้าวหม้อแกงก็ลูกๆเหมือน รสอร่อยเราไม่มีเราจริงๆมีมุฑธบุตตธาตุปรับปรุงตับจิตเกิด ให้เกิดก็ช้าก็ แต่เราไปชุมนุมกันอยู่ที่กลางถนนราชดำเนินเดินผ่านได้มึนไปในที่ มันละกองภูเขามันหยาบมันกล้านมันไปด้วยโลกีย์เต็มหยาบ เราเดินอยู่ในที่ว่างทะลุกำแพงภูเขาได้เหมือนที่ ลมลังเราไม่ได้ๆอิทธิวิทยาตนะทะลุภู พุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำ เมชะโลกุตระพุดขึ้นดำลงในแผ่นดินเหมือนในเช่นถ้า แหมเนี่ยบัดเจ็ตอันนี้เป็นบัดเจ็ตลับด้วยนะตั้ง จะดำลงไปในดินเหมือนน้ำ เรียกว่าเป็นคนเหมือนโอ้โหธรรมดา เดินบนน้ําก็ต้องตกผมไปเดินดําลงไปในดิน แต่เธอทําไมไม่อร่อยเบอร์ลินไอ้เค้กหรือไงจริงๆไอ้ มันไม่เป็นสามันเหมือนเขาไม่เป็นสามัญเหมือนเขามัน แค่ว่าๆยังว่าแรงๆไม่ว่าๆแต่ว่าๆว่าๆๆ นี่คือพุทธดำลงไปในแผ่นดินได้ เหาะๆเบาลอยสบายไม่ลอยเบาว่างเบา อัตตาเคยใช้สำนวนอธิบายมาเก่าว่ารูปหัวได้ เฉยเลยไม่มีร้อนไม่กระดุกกระดิกจิตไม่เคยร้อนสบายเย็น ใจไม่หวั่นไหวในโลกโลกีย์เลยรูปครรม ความร้อนราคาความร้อนตัวสัตว์จะยิ่งกว่า ยิ่งใหญ่พรหมโลกคือผู้สร้าง ไม่ได้มีกิเลสโลภโกรธหลง พหุชนะหิตายะพหุชนสุขายะสุขายะโลกานุกัมปายะยังบริบูรณ์นี่คือพรหมที่จริงมีจบ อุเบกขานี่คือจิตพร้อมรับใช้โลก ต้องก็ช่วยสร้างปัพโลเกณฑ์อำนาจทางกายไปได้เร็ว นะเออเงียบๆไม่ใช่มาตู่ก็บอกเอาใจหน่อยนะอ่าอ้าวเข้าๆนะ อาตมาก็พยายามพยายามอธิบายพยายามที่จะเฉลยใคร อาตมาก็ทําได้อย่างเงี้ยเอามาอ้าวไม่ไปเอาห่อเหินปีแล้ว อาตมานี่เหาะได้หมดทำได้หมดเนี่ยขออภัยโอยพูด ใครเห็นว่าอย่างนี้ควรเอากลับมาอย่าชะมา เพลงสุดท้ายอันนี้เพลงสุดท้ายทุก ก็เลยล้างไอ้เนื้อเก่าออกมาเนื้อเป็น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 จึงบําเรอกามบังบําเรอโทสะเป็นบู این که به معنای هنری است که آتاما تام. آره آتاما. لیلای که بیاید کمی. نه. اه، oh, لیم پای <laughs>